สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บั น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิวเซชูตอนที่สี่ร้อยห้าสิบเก้าเรื่องของประทานฝ่ายผู้วิญญาณครั้งที่สามพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงท่าทีเมื่อเราเจ็บป่วยซึ่งเป็นตัวอย่างของการที่แสดงว่าพระเจ้านั้นทรงรักษาโรคโรงทรงทำการอัศจรรย์ในทุกวันนี้ ในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องไม่รับความคิดที่ว่าการอัศจรรย์ไม่เกิดนะครับเพราะหลายหลคนซึ่งเป็นพวกหัวสมัยใหม่นั้นเขาไม่เชื่อถือเรื่องการอัศจรรย์พี่น้องครับถ้าจะให้ความคิดนะครับความคิดที่เอียงน้อยลงครับหรือกลับเข้าสู่สมดุลก็คือว่าเราต้องถือว่าถึงไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นว่า ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนั้นต้องเป็นการอศัศจรรย์อันนี้นะครับก็คือความคิดที่สมดุลมากครับพระเจ้ายัางทรงเจตนาให้การอศัศจรรย์ น, นั้นนะครับเป็นลักษณะสม่ําเสมออย่างหนึ่งในชีวิตของเราและการรับใช้พระเจ้าของเราทุกวันนี้เหมือนที่เป็นไปในการปฏิบัติงานขององค์พระเยซูคริสต์และอัครทูตพี่น้องครับไม่จําเป็นครับว่าทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทาต้องเป็นการอศัศจรรย์ แต่สิ่งที่สํำคัญที่จุดมากกว่านั้นก็คือว่าพระเจ้าแห่งพระกภะพีนั้นเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจให้มากว่าเข้าใจอย่างชัดเจนของแท้ว่าส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพระกัมภีร์นั้นไม่ได้กล่าวถึงการอัศจรรย์นะครับส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพระกระพีนั้นไม่ได้กล่าวถึงการอัศจรรยนะ์ยอนผู้ให้บัพติศมา นะครับซึ่งพระเยซูถือว่าเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพระเจ้าให้มาก็ม่ได้ทําการอัศจรรย์ใดๆเลยพี่น้องเชื่อไหมในพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อสี่สิบเอ็ดครับเป็นคําพูดที่ไม่ใช่เป็นของพระเยซูแต่เป็นคําพูดของประชาชนที่มาหาพระเยซูเขากล่าวถึงยอห์นว่าย่งไรครับยอห์นบทที่สิบข้อสีิบเอ็ดครับเขากล่าวถึงยอห์นว่ายอห์นมิได้ทําหมายสําคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริง เดีนครับโปรดฟังครั้งนะครับยอนบทที่สิบข้อสี่สิบเอ็ดคนเป็นนั้นมากมาหาพระองค์กล่าวว่ายอนมิได้ทําหมายสําคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอนได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงเพียงครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเรามีความคิดสําหรับบางคนเป็นความคิดใหม่ครับสําหรับผมนี่ก็เป็นความคิดใหม่เทือกแรกนี้เราคิดว่ายอนนั้นเป็นผู้พยัดกรณนะครับ เป็นผู้ที่นําทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ายอนนี้น่าจะทําการอัศจรรย์เยอะแยะมากมายแต่แท้จริงแล้วในพระคัมภีร์นั้นก็ไม่ได้บันทึกถึงการทําการอัศจรรย์ของยอนเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงกำหนดครับทรงกรําหนดให้ยอนั้นเป็นผู้ที่พูดถึงพระเยซูนะครับสิ่งต่างๆที่ยอนได้กล่าวถึงพระเยซูนั้นเป็นความจริงไปหมดเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องพระเยซูก็เป็นการเป็นพยานครับการเป็นพย า, ยานของพระเยซูนั้น หรือการพยานถึงพระเยซูหรือการให้คนมารับเชื่อในพระเยซูนั้นอาจจะไม่มีการอัศจรรย์ใดๆเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องครับแท้จริงแล้วเมื่อเราพยายามหาการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์เราพบว่ามีอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับนะครับเป็นกลุ่มๆสี่กลุ่มด้วยกันครับในพระคัมภีร์นะครับมีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันพี่น้องจดจำให้ดีนะครับกลุ่มแรกก็คือในพระคัมภีร์เดิมครับ เดียวกับโมเสสภัยที่บัตรที่เกิดขึ้นกับอียิปต์การข้ามทะเลแดงคับการที่พระเจ้าได้ประทานมานาและน้ำอันนี้คือกลุ่มแรกครับกลุ่มที่สองก็คือบรรดาผู้เผยเพระเจนะ้ผู้พยากรณ์ทั้งหลายเราจะเห็นในพระคำผีก็คือเอลียาเอลิชาผู้เผยพระเระจ้าต่างต่างอันนั้นเป็นกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สามครับก็คือ การอัศจารย์ที่พระเยซูคิตได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์ได้บังเกิดในโลกนี้และพระองค์ออกมาตอนอายุสามสิบรับใช้พระเจ้าจนถึงอายุสามสิบสามนะครับก า, ารอัศจรัน์นั้นเกิดขึ้นในชวิตของพระเยซูนะครับตรงนั้นและท้ายที่สุดครับก็คือกอารอัศจารย์ที่บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจาการก็คืออาาัครทูตทั้งหลายเพียงครับเราจะเห็นว่านี่คือสี่ยุคหลัก แห่งการสำแดงของพระเจ้าเรื่องการอัศจรรย์ได้แก่ยุคพระบัญญัติยุคผู้เผยพระชนะยุคของพระเยซูคริสและยุคของอัครทูตเป้าหมายหลักของการอัศจรรย์ก็คือพิสูต ร, รับรองครับรับรองแต่ละขั้นแห่งการสำแดงจากพระเจ้ายกตัวอย่างครับโมเสสนั้นเมีอ่อกลักษในการสำแดงถึงเรื่องฐานะของผู้เผยพระชนะซึ่งพระเจ้านั้น ได้ให้เขาประจักษ์นะครับรู้จักกับโมเสสและโมเสสรู้จักกับพระเจ้าตัวต่อตัวสิ่งที่ช่วยยืนยันคือการอัศจรรย์ต่างๆครับเป็นเอกลักษณ์ในพระมทีเฉลยธรรมญาตินั้นกล่าวว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนโมเสสท่านในเรื่องหมายสำคัญและการอัศาจรรย์ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ท่านกระทาเห็นไหมครับโมเสสนั้นถือว่าเป็น เป็นเป็นเป็นเจ้าแห่งการทําอัศจรรย์เลยนะครับเพราะาอะไรครับเพราะว่าเขาต้องเดินอยู่ในถิ่นทั่วกันดาลพาประชากรของพระองค์เดินอยู่ในถิ่นทั่วกันดาลถึงสี่สิบปีมาดูที่ขั้งพีใหม่นะครับพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูชาวนาซาเดนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้พวกเรานะครับได้เห็นและทราบว่าพระองค์เป็นใครโดยการทําอิำการอิจฉาริด การัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์พี่น้องครับเรื่องนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่สองข้อยี่สิบสองพี่น้องเห็นไหมครับว่าการอัศจรรย์ น, นั้นก็มีวัตถุประสงค์ครับในการที่สูจน ร, รับรองนะครับรับรองว่าคนคนนี้เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพระเจ้าทรงเป็นพยานรับรองสิ่งที่อัครทูตได้เห็นมักตา และสิ่งที่อัครทูตนั้นเป็นพยานประกาศโดยทรงสแสดงหมายสําคัญการอัญเชิญและโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆโดยของประทานจากพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ซึ่งพ ร, พระเจ้าพระเจ้าพระวิญญาณนั้นทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นของประทานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์อันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สองข้อสามและข้อสี่พี่น้องครับ หนังสือกิจการหรือพระธรรมกิจการนั้นเป็นกิจการของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่สำแดงผ่านอัครทูตทั้งหลายเราเห็นว่าการอัศจ ร, รนะครับซึ่งลูกาบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมกิจการนะครับอัครทูตเป็นผู้กระทำครับนะครับอัครทูตเป็นผู้กระทำแต่ผู้กระทำที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังก็คือพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับการอัศจ ร, รในทุกวันนี้ นะครับเราก็ต้องมาประเมินดูนะครับวินิจฉัยดูวิเคราะห์ดูว่าเป็นเรื่องอะไรครับเป็นการอัดจัรย์ที่เกิดขึ้นเพื่อใครครับเป็นการอัดจันทร์ที่เกิดขึ้นโดยผลประโยชน์ตกอยู่กับใครครับหรือเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นของเป็นของประธานหรือกอารอัดจัรยร์ได้หรือไม่ครับพี่น้องครับเราควรใช้วิจาณญาณที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรา ก็คือวิญญาณแห่งการแยกแยะนะครับวิญญาณแห่งการแยกแยะที่เมื่อวันนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือการสังเกตวิญญาณนะครับข้าพเจ้าไม่คิดว่าการอาจา ร, รย์จะมีดาดดืนจําเจรหรือเปล่าเพราะการสำแดงจากพระเจ้านั้นซึ่งใช้การอาจา ร, รย์นั้นยืนยันรับรองนั้นก็เสร็จสมบูรณ์ในพระบรมวีแล้วจากนั้นเองพระเจ้า ยิ่งใหญ่สูงสุดโรงทรงเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครทรงสามารถที่จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของพวกเราในทุกวันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในสถานการณ์พิเศษบางอย่างครับพี่น้องชีวิตของเราต้องการกัรอัศจรรย์เหมือนกันครับเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อเป็นการฉุดเราออกจากความท้อใจเพื่อเป็นการเสริมกําลังเลี้ยวแรงที่พระเจ้าจะให้กับเราทุกวันนี้ พระเจ้ายัางมอบของประทานฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเราและการอัญชันยังเกิดขึ้นกับเราเสมออามน